เมื่อกี้เราก็นั่งภาวนาไปยกหนึ่งหมดไปยกหนึ่งถ้าเรานั่งภาวนาโดยลำพังที่กุฏิที่บ้านันหมดยกหนึ่งแล้วก็ภาวนาอีกยกหนึ่ง ไม่ใช่หยุดแค่นั้นเบื่อแค่นั้นหนายแค่นั้นแล้วก็มีความต้องการอย่างอื่นเรียกร้องให้ให้ไปสนองความอยากหมดยกหนึ่งแล้วก็ภาวนาอีกหมดยกหนึ่งก็ภาวนาไปหมดยกหนึ่งก็ภาวนาไปเรื่อยทำต่อเนื่องไปมันก็ว่าเราพยายาม เจาะไปแต่ละครั้งเนี่ยมันได้ลึกเท่าไหร่ไม่ช่างมันะเจาะเข้าไปเจาะสวรรค์เนี่ยเจาะลงไปแล้วดึงดอกสวรรค์ขึ้นมาเอาขีมมันออกเอาคี้กบคีมเลื่อยมันออกเจาะลงไปอีกดึงขึ้นมาเจาะลงไปอีกเจาะลงไปอีกเป็นข้อเปรียบเทียบไม่ใช่เจาะลงไปสินิดหน่อยแล้วก็ ปล่อยให้สิ่งที่มันดึงจิตนะสิ่งที่สิ่งที่มันดึงจิตมันชวนจิตมันคอยแต่จะลากจิตไปสนุกสนานตามอําเภอใจถ้าเราปล่อยมันก็เป็นงั้นมันไม่ชอบอยู่ในอารมณ์อารมณ์ที่น่าเบื่อหน่ายถ้าจริงถ้าเราเห็นอารมณ์จริงๆมันก็ไม่ใช่อารมณ์ที่น่าเบื่อหน่า โดยเหตุที่เราเห็นไม่จริงเราปล่อยให้ความอยากมันแทรกเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่กับอารมณ์ที่น่าเบื่อหน่ายเพราะจิตมันไม่ชอบไม่ชอบอมันไม่ได้คิดตามอำําเภอใจของมันเหมือนกับเด็กที่เราเคยปล่อยให้เขาเล่นตามสะดวกสบายเนี่ยพอเวลาเราจับให้เขามาทํานู้นทํานี้บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันไม่เป็นธรรมละมันชอบไปจะหนีไปทําไอ้ที่เขาชอบใจนั่นแหละ จิตใจของเราแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเราปล่อยมาจนชินมันชินกับมันนึกมันคิดไปตามอารมณ์เรื่อยเปลื่ยไปตามอำเภอใจของมันอารมณ์ที่เราต้องการให้เขาคิดคิดเพื่อเกิดประโยชน์มันไม่เห็นประโยชน์มันไม่เห็นประโยชน์มันไม่ถูกใจมันไม่ชอบใจมันไม่ถูกอารมณ์มันปัดออกมันชอบนึกชอบคิดเรื่อยเปลื่ยไปตามเรื่องของมันคิดเรื่องรัก เรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องเที่ยวเรื่องสนุกสนุกสนานเพลิดเพลินตามชอบใจร่างกายถ้าอยากอยู่สะดวกสบายอยากพลิกก็พลิกอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยน อ, อยากอิ่มก็อิ่ม จริงก็คือมันอยากอยู่สบายๆนั่นแหละไม่อยากร้อนไม่อยากหนาวไม่อยากเย็นจนเกินไปไม่อยากร้อนจนเกินไปไม่อยากปวดไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดมันชอบให้กายมั่อยู่สบายๆร่างกายนี่จะอยู่สบายได้ต่อเมื่อมันพอดีของมันตรงไหนพอดีร่างกายอยู่สุดกสบายตรงนั้น ตรงไหนพอดีมันอยู่สะดวกสบายตรงนั้นไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเป็นที่ชอบใจของร่างกายนะเบาสบายไม่หนักเกินไปไม่เจ็บไม่ปวดรู้สึกเบาปลอดโปรง่งนทะรางการมันชอบอย่างนั้นคือมันชอบสะสบายแต่ที่จะชอบใจยังไงก็ตามสิ่งทั้งนี้มันจะไม่เป็นไปตามใจหวังเราทั้งนั้นแหละ ทช่นอย่าเรานั่งเภาวนานนา น, นานเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันเจ็บมันเป็นไปไม่ได้เราถามสาเหตุว่าทําไมมันถึงเจ็บมันถึงปวดก็เนื่องว่าร่างกายมันไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทันว่าทันว่าอิริยาบถนี้มันบังทุกอิริยาบถมันบังทุกนั่งเหนื่อยก็ลุกขึ้นเดินเดินเหนื่อยก็นั่งนั่งเหนื่อยก็เดินเดินเหนื่อยก็นั่งนั่งนานก็ เหนื่อยก็นอนนอนมากเหนื่อยก็นั่งนั่งมากเหนื่อยถ้าลุกขึ้นเดินเดินมากเหน่อยก็เหนื่อยก็นั่งก็นอนอยู่นี้แหละเป็นอิริยาบถ ท, ที่มันสั飒มันเปลี่ยนที่เรานั่งนานนา น, นานสักหน่อยมันรู้สึกปวดทําไมมันถึงรู้สึกปวดเพราะว่าพวกเลือดพวกลมพวกอะไรนี่มันไหลเวียนไม่สะดวก เราไปนั่งทับเส้นทับเอ็นทับประสาททับอะไรทะอะไรของกายร่างกายมันก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายนานไปนานไปนานไปน้นไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไปมันเริ่มเริ่มมึนเริ่มตึงเริ่มชาเริ่ ม, มปวดปวดแสบปว ด, verage, ปวด verage, ร้อนปวดแสบปวดร้อ น, นเราต้องการนั่ง ส, สบายๆนั่นแต่พอเลยล่วงเวลาไปแล้วมันปวดแสบปวดร้อน ถ้าเราไม่จ้างสัตย์ยาเอาไว้เราก็พลิกพลิกพลิกเพื่ออะไรเพื่อให้เลือดลมมันเดินสะดวกเพื่อให้มันปวดนั่นแหละต้องการไม่อยากให้มันปวดนั่นแหละคืออยากอยากไม่ปวดความอยากมันแทรกเข้ามาอยากไม่ปวดมันอยากไม่ปวดความอยากไม่ปวดเฉยๆมันมันหายปวดไม่ได้มันหายปวดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ถูกกับเหตุกับปัจจัยเข้ามัน เราพลิกปับเอ่ไอเส้นเอียนที่มันเคยทับเคยตึงเคยอะไรเนี่ยนะมันก็เบาลงเลือดลมก็ไหลสะดวกดีเส้นประสาทที่เคยกดทับมันก็เบาขึ้นเนื่องจากว่าเราลบให้มันแน่อิริยาบทต่างๆเหล่านี้มันบังความทุกิจิทธิยาบทปิดกั้นความทุกข์บังความทุกข์ทาให้เรามองไม่เห็นความทุกข์เรานั่งนานๆ<ม>เราไม่ต้องกลัวตรงนี้ เราไม่ต้องกลัวเจ็บเราไม่ต้องกลัวปวดความเจ็บความปวดปรากฏขึ้นเป็นเวทนาปรากฏขึ้นเราก็ดูเวทนานะแล้วแล้วเราจะพิจารณาดูอะไรทําให้ปวดถามลงไปอะไรทําให้ปวดเมื่อเราถามมันมันก็มีงานทําถ้าเราไม่ถามมันขี่เหลม ก, แก็แทรกเราตั้งจิตให้ดีตั้งสติให้ดีถามมันมันก็มีงานทําอะไรทําให้มันปวด ไอ้ความปวดนี่เขาเรียกว่าเวทนานทุกขวเวทนาไอ้ความไม่ปวดความอยู่สะดวกเบาสบายเป็นสุขวเวทนาความไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่ทุกขใจโสมนั ส, สวเวทนาความทุกขใจเป็นโทมนั ส, สวเวทนา มันเกี่ยวกับเรื่องเวทนาเวทนาแปลว่าเสวยอารมณ์รับอารมณ์รู้อารมณ์รสชาติของอารมณ์ตัวที่กว่าเวทนาเวทนาแปลว่าเสวยอารมณ์อะไรเสวยใจเสวยคือใจมันรับทราบอารมณ์อารมณ์ดีมันก็ชอบใจอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ชอบใจเกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาแต่เวลาเรานั่งภาวนาเรามีความสุขเนี่ยมันจะไม่ค่อยถึงใจเท่าไหร่นะ มันไม่ค่อยดึงจิตมาเท่าไหร่นักมันนั่งเรื่อยเปื่อยภาวนาสบายไปบางบางทีก็ไม่เด่นไม่ชัดไม่อะไรดอกอเพราะว่ามันไม่ถึงกับต้องอดต้องทนมากแต่พอทุกขเวทนาเกิดหนักหนักเข้าเนี่ยเราต้องอดต้องทนมากเราต้องใช้ความกำลนงจดจ่อมากความอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวก็มากเพราะอะไรเพราะมันไม่ไปแล้วแหละ มันปวดมากมันเด่นมากมันชัดเจนมากมันไม่ไปจิตมันไม่ไปมันรับรู้ไอ้ตรงปวดปวดนั่นแหละปวดแล้วก็ถามมันไปปวดเกิดขึ้นจากอะไรพิจารณาดูความปวดโอความปวดมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ามันเกิดขึ้นจากกายไหมก็ใช่มันเกิดขึ้นขึ้นจากเรานั่งนานๆไหมเลือดลมเดินไม่สะดวกไหมเกิดใช่ แต่ที่สาคัญที่สุดก็คือเรารู้สึกเรารู้สึกรู้รู้ว่ามันปวดเนี่ยอะไรเป็นผู้รู้สึกใจเป็นผู้รู้สึกความรู้สึกว่ามันปวดนี่แหละคือทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่กายถ้าเราระมัดระวังไม่ดีมันก็เกิดทุกขเวทนาที่ใจทำไมถึงเกิดทุกขเวทนาที่ใจเพราะใจมันรับมา ใจมันรับมาว่ามันทุกข์ทำไมใจจึงรับมาเพราะใจกับกายเนี่ยเป็นของกันและกันใจกับกายเน่เป็นของกันและกันพอร่างกายมันได้รับความทุกข์ใจก็มันก็มารับเอาทั้งๆที่ใจก็ไม่ได้ปวดนะใจก็ไม่ได้ทุกข์แต่ใจมันไปรับเอาทำไมใจจึงรับเอาเพราะร่างกายเนี่เป็นผลงานของใจเป็นผลผลของใจ ใจมันเลยยึดเอาการยึดเอานี่ท่านเรียกว่าอุปาทานอุปาทานแปลว่ายึดเอายึดเอาโดยอัตโนมัติของมันอะไรพายึดกิเลสพายึดรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงตัวกิเลสตัวนี้รูปร่างหน้าตาของมันก็คือมันความอยากมันนำหน้ามันยึดกายพอกายปวดพอกายปวดความอยากมันรู้สึกว่า เราปวดอากิเลสมันมันยึดว่ากายนี่เป็นเราเป็นของของเราพราะกายปวดกิเลสมันก็พายึดว่าเราปวดทนไม่ได้แล้วเราปวดเราต้องดูให้ชัดถ้าเราไม่ดูให้ชัดนี่ยมันจะหลอกมาอย่างนี้ในเมื่อเราหลอกมาอย่างนี้มันหลอกมาอย่างนี้แล้วเราก็เราก็เลิกพอเราเลิกทีไรเราก็โดนต้มทุกทีเลิกทีไรเราก็โดนต้มทุกทีความจริงปรากฏให้เราดูแต่เราไม่ยอมดู เราเลิกเลิกคําว่าเลิกไหมว่าต้องพลิกต้องเปลี่ยนต้องอะไรต่ออะไรให้มันเพื่อเป็นการเพื่อบรรเทาความเพื่อบันเพื่อบรรเทาความปวดแท้จริงคือเพื่อให้มันสมอยากเพื่อให้สมอยากยาสมอยากยังไงสมอยากคืออยากไม่ปวดนั่นเห็นไหมมันอยากไม่ปวดมันไปทุกทรมันใจมันไปทุกทรมานแทนกาย เพราะฉะนั้บาอาจารย์ท่านจึงให้พิจารณาย้ำเข้าไปพิจารณาจนเห็นว่ากายก็ไม่ได้ปวดใจก็ไม่ได้ปวดกายก็ไม่ได้ทุกข์ใจก็ไม่ได้ทุกข์ทำไมถึงไม่ทุกข์ทำไมถึงไม่ปวดแท้จริงกายไม่ได้ปวดหากแต่เป้ามันมีเวทนาเกิดขึ้นอย่างนั้นมันเวทนาปวดแสบปวดร้อนอยู่อย่างนั้นจิตก็เพียงแต่รับทราบว่าเออมันปวดมันแสบมันร้อน จิตไม่ได้ปวดดูไปที่จิตจริงๆแล้วจิตไม่ได้ปวดกายก็ไม่ได้ปวดดูไปที่กายจริงๆกายไม่ได้ปวดล้วก็จิ้มไปที่เวทนาเวทนาที่ว่าปวดแสบปวดร้อนความเร่าร้อนเนื <ne> ้อแท้ของมันเอาจิตเข้าไปอยู่ตรงนั้นเวทนามันก็ไม่ได้ปวดดูให้ถึงที่สุดของมันแท้ๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ปวดตอนที่เราดูยังไม่สุดเนี่ยมันก็เป็นอันเดียวกัน ความทุกข์กับกายความทุกข์กับเวทนาความทุกข์กับใจเป็นอันเดียวกันเพราะอะไรเพราะตัญหามันพายึดความการยึดของมันนั่นแหละเป็นอุปาทานอุปาทานคือการยึดมันยึดโดยอัตโนมัติของมันเราพยายามพิจารณาดูตรงนี้เห็นถ้าเราไม่เห็นทั้งปีทั้งชาติมาถึงตรงนี้เราก็พลิกเปลี่ยนเราก็เลิกพอมาถึงตรงนี้เราก็พลิกเปลี่ยนเราก็เลิก มาถึงตัวนี้เราก็พลิกเปลี่ยนแล้วก็เลิกเลิกมากี่กี่ครั้งกี่คราวกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วเราเลิกพอมาถึงตัวนี้เราก็พลิกเปลี่ยนพอมาถึงตัวนี้เราก็พลิกเปลี่ยนสัตว์จะทำความจริงปรากฏให้เราดูแล้วเราไม่ดูเพราะฉะนั้นความจริงจึงไม่ปรากฏที่จิตความจริงแสดงปรากฏให้เราเห็นอยู่แต่เราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับว่ากายนี้มีมีเวทานา เวทนามีในกายกายมีในเวทนาเวทนามีมีเวทนาในหลักตามหลักท่านบอกให้ให้พิจารณาว่ากายก็สัรเว่าเป็นกายแท้จริงมันก็สักเว่าัเป็นกายนั่นแหละเวทนาก็สักเว่าเป็นเวทนาเวทนาไม่ใช่กายกายไม่ใช่เวทนาจิตก็สักเท่าเป็นจิตจิตไม่ใช่เวทนาเวทนาก็ไม่ใช่จิตโดยเหตุที่จิตมีกิเลส มีอุปาทานยึดเอาจิตก็เลยปล่อยทุกข์ไปด้วยทุกข์ขนาดไหนอะทุกข์จนทนไม่ได้คิดว่าเราเจ็บเอ้เราปวดมันเป็นอัตโนมัติของมันเนื่องจากว่าเรายึดถือเป็นกับเป็นการปุเรชาติมาไม่รู้เท่าไหร่ยึดกับร่างกายันนี้ว่ากายเป็นกายเราเป็นกายท่านจนไม่รู้จักกำหนดจดจอ่อจดจําสิ่งที่เป็นสัจธรรม หลับมาตีมาตันอยู่แค่นี้แท้จริงเราพิจารณาพิจารณาเราทนได้เราทนพิจารณาได้เราจะเข้าถึงธรรมเราจะได้อ่านได้ธรรมเราจะได้อ่านได้ธรรมตัวนี้แหละเป็นตัวที่กาลังจะเปิดเผยธรรมขึ้นมาแล้วให้ปรากฏต่อนหน้าเราแล้วเพียงแต่เรากาหนดดูดูให้เห็นสักว่าเจ็บให้เห็นสักว่าปวดกูบาอาจารย์ท่านได้ถามดูปฏิกิกายากายปวดหรือ ถามมาที่เวทนาเวทนาปวดหรือถามมาที่จิตจิตปวดหรือลองถามมาจริงๆในขณะที่เราพิจารณาแยกแยะถามหรื่นะมันเป็นการแยกโดยอัตโนมัติของมันด้วยเหตุที่เราถามย้ำไปย้ำ ม, มาย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อ น, อนไปเหมือนกับเราพยายามแยกมันนั่นแหละอืมเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่นเดียวกันมันคนละอัน กายกับเวทนาไมนคนละอันจิตกับเวทนามันคนละอันเวท น, น, น, น, นาเกิดขึ้นทีหลังเกิดขึ้นก่อนก็ตามเกิดขึ้นทีหลังก็ตามคือเวทนาก็ศัรรพทว่าเวทนาเวทนาเกิดจากกา ย, กายเวทนาเกิดจากกายแต่ไม่ใช่กายเวทนาเกิดจากกายแต่ไม่ใช่กาย เวทนาเกิดจากกายแต่ไม่ใช่กายไม่ใช่เกิดจากจิตจิตเป็นแต่เพียงผู้รู้เวทนาเท่านั้นเองสภาวะของจิตเป็นแต่เพียงผู้รู้รู้เวทนาเฉยๆจิตไม่ได้ปวดโดยเหตุที่เราไม่ดูให้ชัดเจนนะเราว่าจิตปวดรู้สึกเลื้ออดเลือ้อทนต้องรื้อต้องพลิกต้องถอน ต้องขยับต้องขยื่อนเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาความปวดนั่นไม่เห็นละไม่เห็นละไม่เห็นมีความชาัดเจนถ้าเรียกว่าพอไปเจอสัจธรรมแล้วก็หนีหลบพอไปเจออีกก็หลบอีกพอไปเจออีกก็หลบอีกพอไปเจออีกก็หลบอีกสัจธรรมจึงไม่ปรากฏสักทีสติปัญญาที่จะให้เด่นให้ชัดให้ละเอียดให้ยังรากลงลึก ถึงขั้นสติขันปัญญาที่ละเอียดมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่มีเห็นแต่สิ่งที่เป็นเจือปนเห็นแต่กายคิดว่ากายเจือปนกับเวทนาเห็นแต่ว่าจิตจิตเจือปนกับเวทนาเห็นแต่สิ่งเจือปนแยกแยกไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่เห็นสักเว่าเป็นทุกข์สมุทัยที่แทรกเข้าไปก็ไม่เห็นมันสมุทัยแทรกเข้าไปไม่เห็นมัน ด้วยเหตุที่สมุทรไทยมันแสแ่นั่นแหละเราถึงว่าเราเจ็บเราปวดว่าเราเจ็บว่าเราปวดสมุทรไทยคือความอยากการที่เราตั้งใจพิจรารณาดูความอยากที่เกิดขึ้นี่ใจอันนี้ก็เป็นบทฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีนะเป็นบทฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีดูความอยากที่จิตอนะดวออกไหมเวลามันปรากฏขึ้นความอยาก อยากยืนอยากเดินอยากอาหารอยากนึกอยากคิดอยากพูดอยากคุยอยากทำอยากสรพัดมันเกิดขึ้นความอยากมันเกิดขึ้นสรพัดนะดูไปที่ที่จิตเราจะเห็นพื้นเพของความอยากถ้าเราพยายามสังเกตเราจะเห็นความอยาก เพราะความอยากมันมาคอยแทรกจิตอยู่ทุกระยะทุกเวลาความอยากตัวนี้แหละเป็นตัวสมุทรไทยมันคอยมาแทรกแทรกตอนไหนมันแทรกตอนเวลาตาเราไปเห็นรูปมันแทรกเข้าไปว่ารูปดีรูปไม่ดีอรูปดีมันก็ดึงเข้าไปรูปไม่ดีมันก็ผลักออกไปรูปดีมันดูดเข้ามารูปไม่ดีมันผลักออกไปนั่นแหะความอยากมันแทรกแล้วหูได้ยินไอ้ตากับหูเราเรอเปิดอตลอดทั้งวันทั้งคืน ไม่มีใครปิดหูตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีใครปิดอไม่มีใครปิดมันเปิดโดยลําพังของมันทีนี้ความอยากมันก็วิ่งรับเอาอารมณ์ที่เป็นรูปนี่แหละที่เกิดขึ้นทางตาวิ่งรับอารมณ์ที่เป็นเสียงที่ได้ยินทางหูมันรับยังไงมันรับว่าเสียงเพราะมันก็ยึดเอาเสียงไม่เพราะมันก็ผลักออกไอ้ทั้งผลักออก ไอ้ทั้งยึดเข้ามาเนี่ยมันมีผลเท่ากันคือมันไม่ถูกใจมันมันไม่ถูกใจมันมันผลักออกไปเพราะถูกถูกใจมันมันก็ผลักเข้ามาเพราะถูกใจมันมันว่าน่ายินดีน่าพอใจมันก็ดูดเข้ามามันมีความอยากด้วยอาศัยความอยากเวลามันไม่ถูกใจมันมันก็ผลักออกไปคือมันอยากอยากทําลายอยากไม่ได้ยินอยากไม่ได้ฟังอยากไม่เห็น อาศัยความอยากนําหน้าทั้งหมดทั้งผูกทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสรสรสนี่มันจะปรากฏทางลิ้นรสเปรี้ยวรสหวานรสพอดีรสกลมกล่อมรแสแซ่บรสอร่อยพอใส่เข้าไปแล้วอันไหนที่มันพอดีมันดูดดึงดูดกันเนี่ยเราเอออันนี้ดีดอันนี้อร่อยอันนี้แซ่บมันก็ดึงมันก็ดึงดูดมันก็อยากเพิ่มความอยากมากๆอันไห น, นรสชาติไม่ถูกปากไม่ถูกลิ้นมันก็อยากกัน มันอยากผลักออกไปอยากทำลายถ้าเป็นอาหารเข้าไปในป่าแล้วอยากบ้วนทิ้งมันอยากไปอะไรมันมันมีความอยากนาหน้าเท่านั้นแหละความอยากนี้คืออาการของจิตอาการของสมุทัยที่เกิดขึ้นที่จิตเราพยายามดูให้ออกเราพยายามดูให้ออกความอยากที่เป็นไปเพื่อ อยาให้เรารักษาศีลอย่าให้เราให้ทานอย่าให้เรารักษาศีลอย่าให้เราปฏิบัติธรรมอย่าให้เราเจริญสติเจริญสัมผััญญะอย่าให้เราเจริญความอดความตนขันติโสรจจะจักความอยากที่เป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่าเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติไม่ใช่ว่าความอยากแล้วจะเป็นจะเป็นพิษเป็นภัยเสียทั้งหมดความอยากที่เป็นมรรคนี่เรายึดมาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีความอยากเป็นตัวนำเพื่อที่จะไปแฝงถานเพื่อที่จะไปสร้างปฏิปทาให้กับตัวเองมันก็ไม่มีผลรายได้เป็นเครื่องตอบรับความอยากอันนี้ท่านว่าเป็นมรคมันไม่ใช่สมุ ท, ทยัยแต่ถ้าเป็นความอยากที่เป็นไปตามเผยใจไม่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติความอยากทั้งนั้นเป็นสมุ ท, ทยัยทั้งนั้น ดูปทิจัยมันเข้าหลักอริยสัจส์่ 4. เรากำหนดดูใจมันเป็นการกำหนดรู้ทุกเรากำหนดดูเวทนาเนี่ยเป็นการกำหนดรู้ทุกเรากำหนดดูกายเนี่ยมันเป็นการกำหนดรู้ทุกเพื่อที่จะย้อนไปดูสมุทยัยสมุทัยคือตัวตัณหาตัณหาเนี่ยตัณหามันพาหลงหลงกายหลงเวทนา แล้วก็หลงจิตหลงกายหลงเวทนาและก็หลงจิตสมุดไทยมันพาหลงหลงยึดทุกหลงยึดกองทุกกายเป็นกองทุกเวทนาเป็นกองทุกสัญญาเป็นกองทุกสังขารเป็นกองทุกวิญญาณเป็นกองทุกรวมลงแล้วขันทั้งห้าเป็นกองทุกถ้าเราไม่พิจรารณาเราก็ลุ่มหลงมัน พอความลุ่มหลงมีความลุ่มรุ่มหลงเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเปิดมันเกิดการยึดมั่นถึงมั่นหรือปาทานว่ากายเราทุกเวทนาเราทุกสัญญาสังขารวิญญาณของเราทุกท่านจึงให้พิจารณาพิจารณากองทุกพิจารณาเพื่อให้รู้ว่ากองทุกกายกสัพทวกายเวทนากสัพทวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สัพแต่ว่า สังขารสัพพาวิญญาณพิจารณาเห็นที่ไปของมันให้เห็นที่เกิดของมันให้เห็นที่ด like ับของมันให้เห็นที่การตั้งอยู่ของมันให้เห็นแก่นสารสาระให้เห็นไม่ใช่แก่นสารไม่ใช่สาระให้เห็นธรรมชาติของมันนั่นแหละธรรมชาติของมันเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงและด <rico> ับไปยังไงเราพิจารณาให้เกิด ความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจเพื่อไม่ให้เรายึดหลงยึดมัน่นหลงยึดมัน่นถือมั่นด้วยอุปาทานเนื่องจาว่าเราพิจารณาท่องแท้ทะ ล, ลุปุโปรงแล้วอา้าวศึกษาท ล, ปลุปุโปรงแล้วเราก็ไม่หลงยึดมันไม่หลงยึดอกองทุกข์กอดที่้อยเป็นกองทุกข์เพราะกองทุกข์ตรงนี้นี่เป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุเหตุของมันที่จะทําให้เกิดกายเวทนาสันญะสังขารวิญญาณ อันนี้คือตัณหาตัณหาเนะี่เป็นสมุทยัยเป็นเหตุมันละเอียดนะเราพยายามพิจารณาย้อนไปย้อนมาเราถึงจะรู้จะเข้าใจได้แต่เราไม่พิจารณาย้อนไปย้อนมาเราจะเข้าใจยากเราพยายามดูวนเวียนอยู่แค่นี้ตรงนี้เราจะรู้เราจะเข้าใจเราจะแยกออกว่าอะไรเป็นตัวทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในระหว่างที่เรากำลังค้นไปค้นมาค้นมาค้นไป มีสติมีสัมผัสเ น, นมีความสงบกำกับเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมรรคเป็นทางดําเนินเป็นทางดําเนินพิจารณาไปพิจารณาไปเห็ น, นเกิดให้มันดับมีผลปรากฏขึ้นที่จิตมากน้อยเป็นนิโรดนิโรดนิโรดนิโรดนิโรดคือความดับ เราเห็นร่างกายเกิดดับเราก็เห็นว่าร่างกายไม่มีแก่นไม่มีสารสาระมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เราได้เห็นได้เห็นได้ผลแต่ถ้าเราเห็นตัณหาดับในขณะที่เราพิจารณาไปปั๊บตัณหาโผล่เข้ามาปุ๊บสติปัญญาเราทันปั๊บมันดับลงไปนี่เขาเรียกว่าตัณหาดับแท้จริงเราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเพื่อดับตัณหา ตัณหาถ้าเราไม่เห็นมันเนี่ยมันจะไม่มีทางดับถ้าเราไม่เห็นมันมันจะไม่มีโอกาสเข้าใจมันจะเป็นตัวแกนนาพายึดพาถือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดไปถ้าเราไม่พิจารณาแล้วก็ไม่เห็นมันพอเราไม่เห็นมันมันก็พาลุ่มหลงมันเป็นตัวพาให้เราหลงตัวตัณหาเนี่ยนะมันพาให้เราหลงตัณหาคือความทยานอยากเห็นหความอยาก ตัวนี้เป็นตัวหัวฝีเป็นตัวยอดอ่อนของพืชเป็นตัวยอดอ่อนของพืชเป็นตัวยอดอ่อนของวิญญาณเป็นตัวยอดอ่อนของภพของชาติตัวตันหาตัวนี้แหละมันเป็นตัวพาไปเกิดเกิดภพนั้นเกิดภพนี้เกิดภพไหนก็ตามมันก็อยากเกิดตามหน้าของความอยากตันหา ไม่ดูถ้าไม่ดูไม่เห็นการตั้งใจฝึกซ้อมดูให้เห็นตันหาเกิดตันหาดับอันนี้เป็นธรรมเป็นธรรมะตรงเป้าทีเดียวที่เราพยายามจะดับมันในขณะที่เราพิจารณาค้นคว้าไปค้นคว้ามาถ้าเราจะเทียบเหมือนกับว่ากองไฟกองนี้กำลังลุกขึ้นเราดูแล้วเราทำไงมันถึงจะค่อยๆคลายลงดับลงมอดลงให้ได้เราพยายามจะดับมันทำไง เราเห็นเราทําไม่ได้เราดับพึบทีเดียวเลยเราดับไม่ได้เราต้องพยายามหาวิธีการดึงฟืนดุนนั้นออกดึงฟืนดุ้นนี้นออ ก, ด, นนออกดึงดุ้นนั้นออกดึงดุ้นนี้ออกดึงฟืนคือดึงเชื้อของมันออกดึงเชื้อของมันออกเพือ่อเพื่อให้ไฟมันค่อยๆมอดลงค่อยๆมอดลงค่อยๆมอดลงการที่เราตั้งใจพิจรารณากายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นการพิจารณาเพื่อให้รู้ว่า เราจะดึงเราจะดึงไฟออกได้ยังไงเนื่องจากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องกายเราก็ยึดกายพอเราเข้าใจเรื่องกายมันก็ปล่อยวางกายอ้าไฟดุ่หนึ่งไฟดุลนหนึ่งที่เป็นเชื้อที่จะโหมกระ น, นาให้ให้มีให้มีพลังไม่รุนแรงมันก็ก็หมอดลงเมื่อดึงรุ่นนี้ออกเออมันก็หมอดลงดึงรุ่นนั้นออกมันก็หมอดลง ค่อยๆลงค่อยๆลงดึงดึงออกจนหมดการดึงออกก็คือคือการพิจารณาให้ดูให้รู้ให้เข้าใจเรื่องของกายร่างกายนี้เราได้มา่างไหนร่รางกายนี้เราย้อนไปย้อนไปร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเกิดในท้องแม่มันอาศัยาธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันเกิดในท้องแม่เป็นของเราไหมไม่เป็นเลย พอเวลาเราออกมาแล้วเป็นเอกเทศแล้วเรายึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราไม่ใช่ของเรานั่นแหละที่เกิดเขรามันดูให้เห็นอันนี้เป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานการที่เรานึกเราคิดเห็นแบบนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นตามที่มันมีเห็นตามที่มันเป็นร่างกายเกิดจากท้องแม่อาศัยธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันเกิดในท้องแม่เจริญเติบโตในท้องแม่ อาศัยวิญญาณเข้าไปเกาะเกี่ยวในตัววิญญาณที่เข้าไปเกาะเกี่ยวไปปฏิสนธินั่นแหละมีตัวตันหาพาไปเกาะเกี่ยวพาไปจับจองพาไปยึดไปถือเนี่ตัวนี้แหละตัวไร้การพาเราไปเกิดพบนั้นพบนี้พบไหนก็ตามแต่คือตัวนี้แหละตัวตันหาเนี่ยที่เราเรียกว่าภาวะตันหาภาวะตันหาตันหา ที่ทําให้เรามีพบแสวงหาพบกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราดูทีตัณหามันก็แยกออกเปน่ะการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันละเอียดเราดูดูไปที่ความอยากที่จิตอย่าไปดูที่อื่นไม่เห็นหรอกดูที่จิตดูตอนนี้ดูเดี๋ยวนี้ตามกําหนดดูร่องรอยเพราะมันมันเกิดที่จิตตามดูที่จิตศึกษาตัวนี้ จับเอาตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นตัวนําพิษนําภัยมาสู่จิตใจของเราพาเรายึดเราถือพาเราเกาะเราเกี่ยวพาเราผูกพันอยู่กับกายกับเวทนากับสัญญากับสังขารกับวิญญาณจนเป็นเหตุให้เกิดกายเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเป็นผลผลของมันเพราะอะไรมันแสวงหาพบพอเราไปเกิดในพบในพบนั้นๆมันก็มีรูปมันก็มีนามเหมือนอย่างเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์เดียวนี้เนื่องจากว่าจิตมันแสวงหาพบ พภูมิที่ควรจะได้ก็คือมาได้เกิดเป็นมนุษย์มันก็มีรูปมีนามมีกายและก็มีใจเป็นผิสิคของมันนะมันอาศัยท้องพ่ออาศัยท้องแม่เกิดแต่แม่เกิดโดยลําพังก็เกิดไม่ได้ต้องอาศัยธาตุของพ่อมาผสมกันตามลักษณะการอุบัติเกิดขึ้นของมนุษย์เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ กลายเป็นสังขารพ่อกับสังขารแม่ประกอบกันเมื่อประกอบกันแล้วสังขารเขาก็วัดวิวัฒนาวัฒนาถาวรไปเรื่อยวัฒนาคําว่าวัฒนาก็คือเจริญไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยไม่คงที่เห็นไหมเราโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยนี่ไม่คงที่แหละอ่าเดือนสิบห้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนก็ออกมาเหตุปจัจจัยที่ที่อยู่ในท้องแม่ ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่จเจริญเติบโตมาด้วยธาตุของแม่เห็ยนไหมมีสายรกสายรกจากสะดือสายรกระหว่างร่างกายของแม่กับท้องของทารกนะเขาเรียกว่าสายรกสายรกสายรกก็คืออะไรคือท่อลําเลียงธาตุนั่นแหละธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟลําเลียงไปจากไหนลําเลียงไปจากแม่เอาไปเลี้ยงทารก นี่มันเป็นได้มีได้เป็นได้ด้วยอำนาจของกรรมใครไปทำไปแต่งไม่ได้กรรมมั น, นกรรมมันทำกรรมมันแต่งพยายามดูดูอันนี้ให้ดูให้เข้าใจแล้วมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิและเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานสำหรับให้เราพิจรารณาที่เกิดความ้เกิดความเข้าใจเพื่อทาลายความลุ่มหลงของจิตจิตมันลุ่มหลงลุ่มหลงแล้วก็พายึดพากเกาะพาเกี่ยวไม่มีจุดจบละ นะไม่มีจุดจบนอกจากถ้าเผื่อเราไม่ได้ศึกษาทําไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วน่ะมันยิ่งยิ่งไม่มีช่องทางเลยแหละไม่มีจุดจบแหละ ว, วัตตะสงสารไม่มีจุดจบเหมือนกับวงกลมๆไม่มีที่เริ่มต้นแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดไปดูเส้นกลมๆดูเส้นกลมๆ ม, มีที่เริ่มต้นไหมมีที่สิ้นสุดไหมไม่มี วัฏฏะสงสารของคนที่ไม่รู้สัจธรรมยืดยาวไปไม่มีที่ที่สุดไม่มีที่จบเนี่ยไม่รู้สัจธรรมสัจธรรมก็คืออะไรก็คืออริยสัจทั้งสี่นั่นแหละสัจธรรมทุกสมุทัยนิโรธนะข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเป็นมรรคสมุทัยก็คือตันหาการมันตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหา มันแสดงนะเพราะภัยชาติเวลาเราไปได้เราก็ได้สิ่งที่เป็นกองทุกข์ขึ้นมาเป็นทุกข์เป็นทุกขขันขันนี่แหละโูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยเป็นทุกขขัดขันปัญจขันเนี่ยเป็นทุกขขัดขันทุกขขัดขันนี่เป็นผลเราไปทำลายไม่ได้ดอกอเรามีหน้าที่อย่างเดียวที่จะต้องพิจารณาเพื่อทําลายความหลงของตัวเองหลงยึดหลงถือขันของตัวเองเรามาเทียบดูที่เราหลงกายของเราเราหลงขนาดไหน ร่างกายของเราแต่ละแต่ละร่างกายของเราของท่านเราหลงกันอะหลงยึดหลงถือหลงเกาะหลงเกี่ยวร่างกายของตัวเองแต่แท้เนี่ยมันหลงขนาดไหนเราดูที่ตรงนั้นกาะงามตรงนี้เกาะงามเอาน้ํามาแต้มเอานี้มาแต้มตรงนั้นเกาะงามตรงนี้งามอ้งามไปเลยชื่นอกชื่นใจเฉยๆงามร่างกายมันงามนั้นหลงหลงงาม ร่างกายของเราอะหลงงามงามจนบดบังหมดแหละไอ้สิ่งที่ปฏิกูลโสโครกมันบทบังไปหมดนะพวกเนื้อทรายพวกกลิ่นเหม็นเหม็นสาบเหม็นสางร่างกายอะไรมันปกคลุมมันปิดบังไปหมดแหละทะวารทั้งเก้าล่ะล้วนแต่เป็นช่องที่มีกลิ่นไม่ดีทนะมันบทบังไปหมดนะความงามมันบทบงังมองเห็นทั้งหมดนะเป็นสุภาษคือความงามอ่ะ แท้จริงหลักธรรมะท่านบอกว่าอสุภะอสุภะแปลว่าไม่งามอะดูไม่เห็นดูยังไงถึงไม่งามดูตีนกับงามตีนดูมือกับงามมือเอดูไปที่เล็บก็เล็บก็งามดูไปที่ฟันฟันก็งามที่ผมผมก็งามดูตาตาก็งามอดูไปที่ผิวผิวก็ผ่องดูไปที่สันธานก็งามงามไปหมดหลงหลงวับงามอะไรพาหลง พิเลธพาหลงตันหาพาหลงความหลงทั้งนี้เพราะเราไม่เห็นสัจธรรมในกายเนื้อแท้ของกายเราไม่เห็นเราจึงเหมาตามอำนาจของความอยากว่างามร่างกายงามผิวก็ผ่องงามตรงนั้นก็เต็มตรงนี้นก็เต็มตรงนั้นก็อวบตรงนี้นก็เต็มตรงนั้นก็ตึงอุ้ยงามแทๆ้ๆงามไปหมด นอกจาก ง, งามธรรมดาธรรมชาติแล้วก็เชิญให้งามเข้าไปอีกจิ้มตาจิ้มอเคิ้วจิ้มอะไรไปหมดจิ้มริมฝีปากจิ้มเล็บจิ้มอะไรสารพัด ย, ยิ่งจิ้มเข้าไปยิ่งงามเห็นไหมมันพาเราหลงอ่ะหลงเท่าไหร่หลงมากมายหลงจนกูไม่กลับพุ้นแหละแต่กนไม่ไม่ได้ยิน เราไม่เห็นของจริงเราเห็นแต่ของหลอกมันหลอกว่างามความหลงหลงไปทางหลักก็ยิ่ยึดมากไปทางนั้นหลงไปทางหลัลงยึดยึดเพราะอะไรเพราะเวลามันเปลี่ยนไปมันแปรไปเราก็ทุกข์ไปตามมันร่างกายเคยผุดผ่องดูสวยงามเวลามันซีดมันเสียวไปตามลักษณะของความทุกข์มาเกี่ยวข้องเราก็โอ๊ยไม่พอใจไม่ยินดีกับทุกข์ใจเติมเข้าไปอีก เวลามันดีดูเวลามันสวยมังามพยายามทนุถนอมพยายามรักษาเวลามันเสียนุน้นเป็นเสียนี้เข้าไปก็ดีอกเสียใจแต่งนุน้นแต่งนี้แต่งหน้าแต่งตาดูสิด้วยต้องการความงามไม่เห็นของจริงเห็นแต่ของปลอมของปลอมก็ยิ่งทําให้เราหลงไปไม่จบท่านจึงให้พิจารณาพิจารณากายให้เห็นว่ากายนี้ไม่งาม เราดูยังไงเราดูให้เห็นว่าไม่งามเราดูไปที่สีมันดูไปที่กลิ่นเขาบางทีดูที่สีบางทีเรายังติดสีอยู่เราดูไปที่กลิ่นมันดูไปที่กลิ่นปากเป็นไงกลิ่นฟันเป็นยังไงดูไปที่กลิ่นตาเป็นไงกลิ่นรูหูมันเป็นยังไงอกลิ่นเหงื่อไข่ทั่วสารพางร่างกายกลิ่นทวารหนักกลิ่นทวารเบาดูไปที่กลิ่นมัน ไม่มีกลิ่นหอมสักอย่างนั่นถ้าเราไม่ดูตรงนั้นเราไม่เห็นดอกแต่ถ้าหากเห็นความงามที่จิตจิตมันยึดว่าเป็นความงามเนี่ยเหมอนเหม็นมันก็ยังว่าหอมเน่าเฟะมันก็ยังว่างามด้วยเหตุที่ว่าจิตมันยึดมันเกาะมันหลงถึงขนาดนั้นนะความจริงไม่ปรากฏเราจรึงต้องพิจารณาให้ความจริงปรากฏ การกินปรากอบก็พิจารณาแบบนี้แหละพิจารณาธาตุขันพิจารณาร่างกายเนี่ยร่างกายประกอบร่างกายมีสีร่างกายมีกลิ่นร่างกายมีสันฐานร่างกายมีตั้งอยู่แล้วก็มีเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีดับไปสังขานจะอยู่คงที่ไม่ได้เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยออกสมมติเราออกจากท้องแม่มารมาเป็นทารกมาเป็นทารกมาเป็นเด็กมาเป็นหนุม่มมาเป็นสาว เป็นคนกลางคนแล้วก็เริ่มแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่ยทุกทุกสิ่งทุกไวยไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยคําว่าไวยไวยไวยมาจากวยะวยะวยะแปลว่าหมดไปสิ้นไปวยะไวยไวยตัวเนี้ยแปลว่ามันหมดไปมันสิ้นไปภาษาบาลีไวยขยะวยะเนี่ยเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปนะว้เด็กหมดไว้เด็กนะขึ้นไปหนุ่มไว้สาวคือ สังขารมันล่วงไปมันล่วงไปมันล่วงไปมันถูกบีบคั้นธรรมชาติมันบีบคั้นสังขารมันบีบคั้นในตัวตัวมันเองมันจะไม่อยู่มันไม่คงที่จากนมจากสาวเท่าแก่ตายไปในที่สุดอ่าพรตายไปแล้วก็หมดชีวิตแหละหมดชีวิตก็ตายหมนลมหายใจก็ตายร่างกายที่เป็นก้อนตัวนี้เกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่ ถ้าดินก็จะแยกไปเป็นดินน้ําก็จะแยกไปเป็นน้ําเห็นไหมเห็นน้ําเหลืองเห็นน้ําหนองไหมมันจะพยายามแยกไปสู่ธรรมชาติของมันถ้าลมก็แยกไปถ้าไฟก็แยกไปดินน้ํามลมไฟมันแยกออกไปเพราะอะไรเพราะขาดชีวิตดินซีขาดชีวิตกรรมไม่กรรมกําไม่กํากับกรรมไม่ดูแลและกําไม่ปกป้องชีวิตดินซีตัวนี้เนื่องจากว่า ชีวิตตัวนี้บกพร่องไปแล้วหมดลมหายใจตายธาตุทั้งสีก็มีที่จะแยกแยะกันออกไปแหละดินก็จะไปเป็นดินน้ําไปเป็นน้ํามลมไปเป็นลมไฟไปเป็นไฟเสื่อมฉลายไปเน่าเฟะไปดินเหือดแห้งไปเหลือแต่เอ็นรัดรึงร่างกายเอ็นหลุดออกไปกระดูกร่วงออกไปกระดิกกระจายออกไป5ปี10ปี20ปีร้อยปีพันปี ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ดูที่เคยแข็งแข็งกลายเป็นขุยๆกลายเป็นแ ล, ละๆเหมือนแป้งเหือดแห้งหายไปกลายเป็นแผ่นดินทั้งหมดเหมือน ม, มีอะไรคงที่เปลี่ยนแปลงไปหมดมันก็มอีอยู่อย่างนี้เราให้เราพิจารณาให้เห็นเท่าเห็นไผ่ของมันให้เห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ให้เห็นการเสื่อมสิ้นไปของมันถ้าเราไม่พิจารณาเราก็หลง พอเราพิจารณาไปแล้วเราเห็นเราเห็นจริงต่างๆเหล่านี้แล้วก็เห็นหน้าตาของตัวความอยากเมื่อเราเห็นหน้าตาของตัวความอยากตัวความอยากมันก็ค่อยหมดแรงไปหมดเรี่ยวหมดแรงไปเมื่อเห็นเงินเห็นเงินก็มันก็ค่อยหมดเรี่ยวหมดแรงไปแท้จริงตัวความอยากนี่ก็คือตัวมายาของใจของเรานี่แหละมันไม่ใช่อะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากไหนที่ะที่ไหน มันไม่ใช่มีคนมาคอยนั่งทําให้สิ่งเหล่านี้มีได้เป็นได้มันเกิดขึ้นในจิตของเราเองมันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเมื่อเรายังไม่ได้ชําระขัดเกลามันมันก็มีกนมีอบายมีมายามายาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นมายามันหลอกเราแล้วก็ชําระมันขัดเกลืขัดเกลาไปกระขัดเข้าไปเกลาเข้าไปขัดเข้าไปเกล้าเข้าไปมันก็จะค่อยๆอ่อนแรงค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปหมดไป การยึดการถือด้วยอุปาทานมันก็หมดไปเนื่องจากว่าเราพิจารณาแล้วเราเห็นพอเราเห็นเราก็ไม่ยึดพอเห็นแล้วเราก็ไมย่ยึดมันไม่ยึดมันก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติของมันงอวัยกายก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติของกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ปล่อยไปตามละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผู้รู้ก็เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี่แหละที่ถอนตัวออกจาก ฐานทั้งห้าได้เนี่ยเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ลำลองตนอยู่เป็นอมตะอมตะอมตะแปลว่าไม่ตายอมตะแปลว่าไม่ตายไม่ต้องไปเกิดไปแก่อีกไปเจ็บไปตายอีกเพราะตัวยึดตัวถือที่จันเรียกว่าอุปาทานการยึดการถือนี่มันหมดไปแล้วทําไมถึงหมดไปเพราะว่าเราพิจารณาเราย้อนไปดูแล้วเราเห็นของมันเห็นที่เกิดของมันเห็นที่ตั้งอยู่ของมันเห็นที่ดับไปของมัน เห็นโทษของมันเห็นภัยของมันเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของมันจิตใจเมื่อเมื่อมันเห็นโทษเห็นภัยแล้วมันก็ปล่อยขันห้าก็อยู่ตามภาวะของขันห้าในระหว่างที่เป็นอยู่ก็อยู่ไปพอหมดอายุไขก็ปล่อยให้หลุดไปร่วงไปผู้รู้ที่บริสุทธิ์ก็ไม่ไปไหนก็อยู่ในโลกนี้แหละผู้รู้ที่บริสุทธิ์ไม่ไปไหนไม่มีโลกโลกของผู้บริสุทธิ์ไปอยู่ ก็อยู่กับโลกเรานะอยู่รวมกับพวกเรานะี่ยแหละแต่เราไม่เห็นเพราะสภาพทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสภาพที่พ้นจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวงไปแล้วจิตของเรายังมีสมมุติอยู่เรามองไม่เห็นดอกนอกจากเราทําให้ถึงอย่างงั้นเป็นอย่างงั้นได้เราจะเห็นที่จิตของเราหลวงพูอได้เจ้าทั้งก็ไม่ไปไหนเมื่อท่านดับขันเข้าสู่มหาพระนิพพานเนี่ท่านก็อยู่ในโลก เพระฉนั้นเรากล่าวถึงพุธทธังธรรมังสังคังสรารนังกระชามิเนี่ยพรองก็วิ่งอถ้าเราจะเทียบก็บเหมือนกับว่าพระองค์ก็วิ่งมาห้อมล้อมปกป้องคุ้มครองให้เรามีความอบอุ่นใจแช่มชื่นเบิกบานหัวใจมีพลังที่ใจผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผูนั้นเห็นธรรมพระองค์ยังทรงอยู่ทรงอยู่โดยภาวะของความเป็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมคำว่าเราเราในที่นี้ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารจิญยานของพระองค์คำว่าเราเราในที่นี้หมายถึงธาตุรู้ที่บริสุทธิ์อ่าถ้ารู้ที่บริสุทธิ์ที่ชื่อว่าเป็นเราเป็นเราเนี่แสดงว่าไฟหมดแล้พลังงานมันหมดมันหมดเหตุที่จะให้มันดังมันก็ไม่ดังน่ะเยไฟหมดแบตเตอรี่หมด พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปพิจารณาไปนั่งภาวนาหัดนั่งภาวนานา น, านหัดนั่งภาวนาพิจารณาเวทนาเวลามันเกิดขึ้นก็อย่าปล่อยล่วงไปอย่าไปพลิกไปเปลี่ยนง่ายๆดูมันซะก่อนเวลามันเกิดขึ้นดูมันซะก่อนดูมันเพื่อเกิดปัญญาเอาเวทนาตัวนี้แหละเป็นหินรับปัญญาลงตาท่านบอกเอาเวทนาเนี่เป็นหินลับปัญญา ดูไปดูไปดูจนเกิดปัญญาดูย้อนหน้าดูย้อนหลังดูขยับไปข้างหน้าดูถอยมาข้างหลังดูตัวมันดูรอบข้างตัวมันขยับไปขยับมาขยับมาขยับไปดูผลต่างของมันค่อเกิดปัญญาในขณะที่เราทำมันก็เป็นการมันก็เป็นตะปรรมอบกิเลสอบตัณหาที่อยู่ภายในจิตให้มันเหือดไปให้มันแห้งไปเพราะอะไรเพราะกิเลสก็คือมายาของจิตของเราเอง ถ้าเราไม่ปฏิบัติชำระขัดเกลาอบให้มันเหงื่อไปให้มันแห้งไปมันก็ชุ่มแปร่อยู่ในนี้แหละอะไม่มีโอกาสที่เราจะสําร้องมันออกได้มีแต่มีแต่โอกาสที่จะเพิ่มให้มันชุ่มแปร่เยิมอยู่ในวัฏสงสารไม่ยุดไม่จบไม่สิน้นมันก็ติดอยู่แค่นี้แหละยินดีเพลินใจพอใจอยู่เย็นเป็นสุอยู่อย่างนี้ก็ติดใจอยู่แค่เนี้ตายแล้วเกิดใหม่ตามอานาจของกรรมกรรมมากกรรมน้อยเป็อยู่ดี มีสุขสะดกสบายบางทีก็ทุกข์ยากลาบากบางทีก็ตกต่ำลงไปสู่อบา ย, ยานี่ทุกข์ทรมานเดือดร้อนขนาดไหนโดยความที่มันแปรปวนไปแบบไม่มีจุดจบแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจับหลักตามที่กุฏิยาท่านทรงสอนได้แล้วไม่ประมาทนามาพิจารณาเพื่อบรรเทาวัตตะสงสารเพื่อทำลายวัตตะสงสารทำลายวัตตะสงสารก็คือทาลายตัวตันหานี่แหละ ปัญหาอยู่ที่จิตไม่มีอยู่ที่อื่นดูไปที่อื่นไม่เห็นดอกดูไปที่จิตของตัวเองเราดูไปที่ตัวหนังสือมันก็มีแต่ตัวหนังสือตัวมันแท้จริงมันอยู่ที่จิตเราดูไปที่ความอยากถึงว่าให้นั่งศึกษาความอยากภกายในจิตของตัวเองจิตมันนึกมันคิดไปแต่และอย่างแต่และอย่างมันไปด้วยพลังของความอยากนะดูให้ออกมันไปด้วยพลังของความอยากทำไมเสียงเขาใหม่ละ ทำไมเสียงมาอีกได้วะถ้าไฟหมดทำไมเสียงออกมาอีกได้มันไปได้วยพลังของความอยากสงสัยมีใครไปปิดมันนะ่ะดับแสดง ว, ว่าหม้อแบตเตอรี่มันทํางานนะ่ะมันเปิดปิดเปิดปิดเข้ามนเพราะมันหมดพูดธรรมดาก็น่าจะได้ยินแหละมันไม่มีเสียงอะไรมาลกควร พอเราจับหลักได้เราก็ภาวนาไปพิจารณาไปทำให้มันสงบความสงบของจิตนะทำให้จิตมีกำลังทำให้จิตมีพลังเมื่ออย่างเรานั่งนานๆ น, นนะ่ะถ้าจิตเราไม่มีความสงบนะมันจะไม่มีพลังน ะ, ะการที่เราทนได้ทนดูเจ็บทนดูปวดทนดูอะไรต่ออะไรได้ น, ะนั่นน่ะคือจิตมันมีความสงบนะจิตมันมีพลังนะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับบริกรรมอยู่กับอารมณ์ันเดียว ก็บริกรรมเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสงบละเอียดลึกเข้าไปละเอียดลึกเข้าไปเวลาเรามาต่อสู้นี่มันมีกำลังต่อสู้มันหนักแน่นมันมั่นคงเนื่องจอากมันมันมีกำลังในภายใน <c oughs> ท่านจริงให้ทาจิตให้สงบความสงบนั้นก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบภายในหัวใจมีความชุ่มเย็นภายในหัวใจได้รับปีติ เกิดขึ้นจากได้รับความสงบความสงบมีปีติแล้วก็มีความสุขแล้วก็เป็นพื้นเป็นบาทเป็นกําลังของใจถึงคราวเราพิจรารณาเราก็เอามาพิจรารณาพิจารณาแบบที่เราให้ฟังนี่แหละพิจารณาเวทนานี่แหละย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาสังขาริญญาณ พิจารณาทางนี้คือพิจารณากองทุกเพื่อไม่ให้มันหลงกองทุกถ้าเราไม่พิจารณามันหลงมันหลงยังไงก็ดูเถอะไอ้ที่เราหลงหลงกันละ่ะดูให้ดีพิจารณาให้ดีเอาละพอาตงควรเก่เวลาเราต้องควรเก่เ ว, เ, ว เ, กเวลาละ่ะจบท่านี้ไปทำํำไปภาวนาภาวนาต่อ น, น, นังนๆน อ้าวไป